บทภาชนี400อับัตช่วยยาพิกษุสําคัญว่าเป็นอับัตช่วยยาปกปิดไว้ต้ inal, องอับัตภาจิตตีอับัตช่วยยาพิสู voix, ุไม่แน่ใจปกปิดไว้ต้องอับัตทุกกดอับัตช่วยยาพิกษุสําคัญว่าเป็นอับัตไม่ช่วยยาปกปิดไว้ต้องอับัตทุกกดพิกษุปกปิดอับัตไม่ช่วยยาต้องอับัตทุกกดพิสษุปกปิดความประพฤติช่วยยาหรือไม่ช่วยยาของอนุปัสมบันต้องอับัตทุกกดอับัตไม่ช่วยยาภิสูตสาคัญว่าเป็นอับัตช่วยยา อาบัตไม่ช่วยยาพิสูจไม่แน่ใจต้องอาบัตทุกกฎอาบัตไม่ช่วยยาพิกษุสําคัญว่าเป็นอาบัตไม่ช่วยยาปกปิดไว้ต้องอาบัดทุกกฎ